สมณพราหมณ์เหล่านี้เสพเสนาสนะอันสงัดอันตั้งอยู่ในป่าและราวปา่าย่อมเรียกร้องเอาอากุศลเพราะเหตุโทษสิหข้อนั้นมาเป็นความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวแต่พระองค์คือสมัยทรงเป็นพระโพธิสัตว์ไม่มีโทษสิหข้อนั้นทรงเห็นความสมบูรณ์อันตรงกันข้ามกับโทษสิหข้อใ น, นพระองค์จึงมีขนตก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 แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระระัตนตรัยตลอดชีวิต